ทำใจให้สบายก่อนขั้นแรกการจะปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นต้องทําให้สบายๆอย่าเครียดอย่ากังวล น, นะการปฏิบัติต้องเริ่มที่ใจสบายนี้ถ้าเราจะทําสมถะเราก็หาอารมณ์อันเดียวมาให้จิตอยู่ต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบด้วยอยู่แล้วสบายมันถึงจะอยู่ถ้าอยู่แล้วลาบากมันไม่อยากอยู่อย่างบางคนเนี่ยหายใจแล้วอึดอัด คือนั่นแล้วก็มานั่งบนว่าเมื่อไหรจะสงบมันสงบไม่ได้มันไม่สบายแต่ถ้าบางคนหายใจแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่หายใจจนขาดสตินะนั่นะสุดโต่งไปข้างหลงอีกแทนไม่ได้คือจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องเดินลงทางสายกลางกลางนะไม่สุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสหร่อ ไ, ไม่สุดโต่งไปข้างบังคับ ทุกต้องรู้นะทุกเป็นความจริงของพระอริยเจ้าเปสัจจะข้อที่หนึ่งเลยคือเรียนเรื่องทุกข์ถามว่าอะไรคือทุกข์ก็กายกับใจรูปนามหรือขันธ์ห้านี้แหละคือทุกข์เพราะั้นหน้าที่ของเราต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆรู้บ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ก็ต้องรู้ให้เป็นรู้ให้เป็นหมายถึงว่าไม่สุดโต๊ะองไม่สุดโต๊ะสองฝั่งถึงจะเป็นการรู้อย่างเป็นทางสายกลาง พวกเราหลายๆคนมาใหม่นะไม่เคยฟังอาตมาพูดฟังใหม่ๆงงนะงงทุกคนแหละอาตมาพูดเองอยังงงเลย <c oughs> คือถ้าเราอยากปฏิบัติให้ถูกเนี่ยส่วนมากพวกเรามาศึกษาธรรมะเราอยากปฏิบัติให้ถูกพยายามจะเรียนว่าที่ถูกทำได้อย่างไรที่ถูกนั้นน่ะไม่มีวันทำขึ้นมาได้เลยสติก็เป็นของที่จงใจทำไม่ได้ ธรมมาสมาธิก็จงใจไม่ได้ปัญญาก็จงใจให้เกิดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอริยมรรควิมุตอะไรพวกนี้แค่สติก็จงใจให้เกิดไม่ได้แล้วเหราอนั้นที่ถูกนะทำขึ้นมาไม่ได้เวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะพวกเราอาจจะเคยได้ยินธรรมาจักรกับวัตนสูตรนะใครมาช่วงหลังๆจะได้ยินธารมมาพูดเรื่องนี้บ่อย ทำมาจากกับวัตถุสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเป็นเทศนากันแรกแทนที่เทศกันแรกท่านจะบอกว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทําอย่างไรท่านไม่บอกะท่านบอกว่าการปฏิบัติที่ผิดจะทำอย่างไรทําแบบไหนผิดท่านบอกว่าการปฏิบัติที่ผิดมันมีสองอันคือความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งคือการหลงไปไหลไปตามกิเลสไปตามใจกิเลสคิดว่าถ้าได้สนองกิเลสแล้วจะ พ้ทุกนะจะได้มีความสุขอันนี้เรียกว่ากามสุขขันธิการุโยกบางครั้งอัตถกถาท่านก็เรียกว่าอากูสลาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายอากูศลบางครั้งท่านเรียกว่าอาพุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบาปนี่พวกเราถ้าเรารู้จักว่าจิตที่หลงสุดโต่งไปข้างหลงเนี่ยข้างตามใจกิเลสเป็นยังไงเราปฏิบัติเกือบจะได้ละ เราก็รู้จักอีกข้างหนึ่ ง, งการปฏิบัติข้างบังคับตัวเองนะเรียกว่าอัตตาเกเรมัทฐานิโยโบังคับตัวเองทําตัวเองให้ลําบากเราบังคับอะไรบ้างเราบังคับกายเราบังคับใจเมื่อไรเราเผลอไปหลงไปเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไรบังคับไวเราก็รู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ไดนะ้ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสนานะหรือการเดินทางสายกลางเนี่ย เราต้องไม่หลงสุดโต่งไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งหลงตามกิเลสฝั่งหนึ่งกดข่มบังคับตัวเองถามว่าหลงตามกิเลสเป็นยังไงเนี่ยพวกเราค่อยเรียนนะค่อยๆเรียนอย่าไปเรียนตรงที่ถูกเลยมาเรียนตรงที่ผิดถ้าเมื่อไหร่ทําให้ผิดเมื่อนั้นถูกเองจงใจทําให้ถูกเมื่อไหร่ไม่มีวันถูกเลยเพราะว่าตัณหามันเกิดความอยากมันเกิดกิเลสมันเกิดขึ้นมาสติไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เลยความผิดในขัน้นการในด้านการสุดโต่ง กนในด้านการตามกิเลสที่ถามว่าจิตมันตามกิเลสไปทางไหนเราค่อยหัดสังเกตจิตมันตามกิเลสไปได้หกทางตามไปได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปทางตาเป็นยังไงตามกิเลสไปทางตาเช่นนะหนุ่มๆเนี่ยเห็นสาวเดินมาไปมองสาวใจวิ่งไปอยู่กับสาวลืมตัวเอง เมื่อไรลืมตัวเองก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไรรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำมิปัสนาหรือเดินทางสายกลางไม่ได้รู้จักไหมอย่างเราไปดูคนอื่นเราไปดูเขาปุ๊บเราเห็นแต่เขาเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนะอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายเข้าใจง่ายนะสมมติหันไปดูพระประธานอ้าช่วยกันดูหน่อยไม่มีใครศบตาท่านเลยนะ <c oughs> เหมือนมานร้ายไม่กล้ า, ามองตาพระ ลองดูติดูตานะตาหน้าตาท่านอ่อนโยนรู้สึกไหมสังเกตไหมตอนที่เราดูพระเนี่ยใจเราไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้อ่าไม่ต้องดูแล้วนะเดี๋ยวดูนานอันนี้ทําตัวอย่างให้ดูนะว่าหลงทางตาเป็นยังไงการหลงไปทางตาก็คือพอเห็นรูปแล้วก็หลงไปอยู่กับรูปลืมกายลืมใจตัวเอง นี่สุดตรงไปข้างหลงแต่ข้างหลงแบบที่หนึ่งหลงไปดูหลงอย่างที่สองคือหลงไปฟังนะใครเคยเป็นบ้างอย่างข้างบ้านเราเขาคุยกันเราอยากรู้ว่าผัวเมียเขาซุบซิบอะไรกันจะพูดเรื่องเราไหมหรือเขา ม, มีความลับอะไรเนี่ยพอเราอยากรู้เราตั้งใจฟังเขาเราก็ลืมตัวเองเหมือนที่เราดูพระตะกี้เนี่ยดูพระแล้วเราก็ลืมตัวเราเองนะไปตั้งใจฟังเขาพูด รู้หมดเลยเขาคูยอะไร ซ, ซุบ ซ, ซิบซุบซิบรู้หมดเลยแต่ขนาดนั้นลืมตัวเองอีกแล้วนั้นเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นก็ทำนิปัสนาไม่ได้เดินทางสายกลางไม่ได้ในทางตาทางหูทางจมูกเช่นได้กลิ่นเคยเห็นสาวๆนะไปตามศูนย์การค้าเนี่ยเอาน้ําหอมป้ายมือก็ดมเนี่ยเคยเจอไหมที่เขาจะซื้อก็ดมเนี่ยบางคนไม่ซื้อน่าทาไปเยอะเลยนะดมขนาดที่ดมเนี่ยรู้กลิ่น หอมไม่หอมมันเลยรู้หมดเลยแต่ขนาดนั้นน่าลืมกายลืมใจของตัวเองนะหรือบางคนทานข้าวนะอยากจะไดเอทตั้งใจวันนี้จะไดเอทแล้วนะทานข้าวไปเจอของอร่อยกว่าจะนึกได้ว่าจะไดเอทนะ่ะหมดไปสามจานแะลนะ้วเพราะหลงเพลินกับรสนะเนี่ยเราหลงไปทางตาทั้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรนะาหลงเพลินไปอย่างเนี้ยห้าช่องทางนี้ใครรู้จักเราบ้าง นึกออกไหมเวลาเราไปดูเขาเราอยากดูเราก็วิ่งไปดูนะอยากดูนะกิเลสวิ่งไปดูเกิดการกระทํากรรมคือการดูเสร็จแล้วก็หลงลืมตัวเองลืมกายลืมใจวิ่งไปฟังนะแล้วก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองนะทางสุดท้ายเข้าใจยากหน่อยคือทางใจหลงทางใจคือเมื่อใจรู้ธรรมอารมณ์หรือรู้อารมณ์ทางใจแล้วเรามัวแต่รู้อารมณ์เราลืมกายลืมใจตัวเองอีก ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างใครรู้จักใจลอยปะใจลอยใครเคยเป็นใจลอยคิดอะไรไปสามชั่วโมงยังไม่รู้เลยว่าคิดเรื่องอะไรใครเคยเป็นไหมเคยทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็เป็นใจลอยใจมันหนีไปคิดคิดอะไรไม่รู้เลยนี่เรียกว่าหลงทางใจหลงทางใจมีหลายระดับถ้าหลงสุดจีดเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรหลงที่เข้าใจยากอันนี้ยอันนี้เข้าใจยากแล้ว ห, หลงคิด หลวงคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเวลาเรารู้นึกเรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองค่อยๆสังเกตนะอย่างขณะนี้สังเกตไหมสังเกตตัวเราเองฟังอาตมาพูดเนี่ยขณะที่ฟังอาตมาพูดนี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางครั้งใช้ตาดูนะมองหน้าอาตมาหน่อยนึงรู้สึกไหมมองนิดเดียวนะไม่มองเยอะมองแล้วเห็นหน้าอาตมาชัดแวบเดียวใครรู้สึกบ้าง หรือใครรู้สึกว่ามองได้ชัดตลอดเวลาบ้านงะไม่ใช่ปฏิหารนะ <c oughs> เพราะว่าตาเราเห็นรูปไดครั้งละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเอง <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าเราจะดูรูปอะไรนะอุตสาบินไปเมืองนอกจะไปดูนะไปสวงสวิสจะไปดูอะไรนะมันก็ดูได้ขณะจิตเดียวเองนะเสียงเงินตั้งหลายหมื่นนะโอมีคนร้อนตัวเยอะนะ <c oughs> ดูออกไหมขนาที่นั่งฟังอาตมาพูดเดี๋ยวก็มองหน้าอาตมาหน่อยนึงแล้วก็ฟังอาตรมาพูดนิดนึงแล้วก็ไปคิดยาวๆรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ดูเฉยๆแต่ฟังไป <c oughs> คิดไปฟังไป <c oughs> คิดไป ด, ดูออกไหมเราไม่ได้ฟังเฉยๆเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไ ป, ส ล, บไปสลับมาสลับไปสลับมานะเดี๋ยวก็มาดูหน้าอาจมาอีกหน่อยงแล้วก็กลับมาฟังแล้วก็กลับมาคิดอะไรเงี้ยพอจะดูได้มตรงนี้ หนีไปคิดแล้วทราบไหมยังไม่เลิกคิดทราบไหม <S 2> <S 2> <phem Exactly. S 1> นี่ก็คิดนะเนี่ยไม่ ใ, ใจเราจะหนีไปเรื่อยถ้าเมื่อไร่หนีไปทางความคิดเนี่ยเราจะรู้ความจริงไม่ได้เพราะความคิดนั่นแหละมันปิดบังความจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราหลงไปคิดแล้วเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้ความจริงได้เราจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกของความคิด ในโลกนี้แทบไม่มีคนที่ตื่นขึ้นมาเลยมีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวแต่ใจฝันคือใจนั่งคิดทั้งวันนะคิดไม่เลิกรู้สึกไม่ทั้งชั้นนั่นแหละนะมองไม่เห็นมีใครตื่นเลยเนาะมาฝันตามที่อ า, ามาพูดสมนะเออตื่นขึ้นมานะรู้สึกตัวขึ้นมานะการหลงทางใจเนี่ยเข้าใจยากนหะลงทางตาเข้าใจง่ายไปดูเขาลืมตัวเอง หลงทางหูก็เข้าใจง่ายไปฟังเขาลืมตัวเองแต่หลงทางใจเนี่ยทําได้หลายแบบนะหลงเพลินไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงสุดขีดเลยนะอีกหลงหนึงคิดอะไรรู้หมดเลยนะบางทีคิดเรื่องที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอ ก, กุศลก็ได้เพราะฉะนั้นตอนที่หลงเนี่ยจิตมีโมหนะแต่อกุศลเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดกุศลก็ได้คือไปคิดเรื่องที่เป็นบุญนะอยากทําบุญอยากฟังเทศนะอยากรู้เรื่องธรรมะเนี่ยจิตเป็นบุญนะ แต่เป็นบุญเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นโลกียะกุศลแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่เป็นบุญใหญ่บุญอันนี้ประกอบด้วยปัญญาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยสังเกตไหมใจหนีไปคิดเรื่อยๆ ร, รู้สึกไหมตอนที่เราไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเองอเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นทาวิปัสสนามไม่ได้ อ้าใครยังตามไม่ทันช่วยไม่ได้นะจะต้องเปลี่ยนเรื่องแนะ้วเนี่ยหลงสุดโต่งทางที่หนึ่งคือหลงเผลอไปตามกิเลสอยา ก, ด, ด, ยา ก, ยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากคิดวิ่งไปคิดลืมตัวเองวิ่งไปหกช่องทางแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปช่องใดก็ลืมตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสะเริ่มจากมีโมหะก่อนแล้วก็อยากดูก็โลภะไปดูแล้วเจอของไม่ถูกใจโทสะก็เกิด นะอันนี้จะครุกเคล้าอยู่กับฝ่ายของกิเลสบางทีท่านถึงเรียกว่าอปุญญาพิสังขารหรืออากูสลาพิสังขารความสุดโตอีกข้างหนึ่งนะเป็นข้างบังคับตัวเองคนทั่วทัวไปหรือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยมันจะสุดโตไปข้างหลงนะหมาแมวหมูหมากราไกา่อะไรเนะี่ยผู้คนทั้งหลายหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเหมือนๆกันนะแต่พวกนักปฏิบัติเนี่ยจะมาหลงอีกชนิดหนึ่งสุดโตอีกฝั่งคือข้างบังคับตัวเอง อย่างร่างกายเนี่ยมันเคยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยคิดถึงการปฏิบัติแม้กําหนดลมหายใจเดี๋ยวเดียวเหนื่อยแนละ้วเขาไปดัดแปลงการหายใจของตัวเองไปแทรกแซงไปบังคับจะเดินจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนนะบังคับมันหมดทุกอย่างเลยบังคับมันทุกอย่างเราคิดว่าถ้าบังคับมันได้เช่นเราจะนั่งโดยไม่กระดุกกระดิกหลายๆชั่วโมงได้แล้วมันน่าจะดีมันน่าจะดีมันไม่ได้ดีจริงอนะมันแค่น่าจะ เราไปบังคับไว้เราก็ไม่ได้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราไปแทรกแซง ก, การบังคับทางใจก็ยกตัวอย่างเช่นความกโกรธเกิดขึ้นเกลียดมันไม่อยากให้กโกรธอยากให้หายโกรธพยายามบังคับใจหรือพอความกโกรธเกิดขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธจะได้ให้หายโกรธหรือกโกรธเนอโกรธนออาจะให้หายโกรธนี่ก็คือพยายามแทรกแซงมันพยายามเข้าไปละมันไปข่มมัน หรือใจเราจะเผลอใจเรามีธรรมชาติเผลอตลอดเวลาแหละเผลอแวบๆไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาทางบังคับจะไม่ให้เผลอเช่นพยายามกระตุกกระดิกรุนแรงเนี่ยบางคนนะแต่มาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนอื่นเขานั่งเคาะเนี่ยบางคนเขาชอบเคาะไอ้นี่เคหัวตัวเองป๊อกป๊อก๊อ ก, อกบอกแม้มันทําลายศาสนาทางอ้อมใครเข้าไม่เห็นกรรมฐานอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกศนะาสนาพุทธน่ากลัวเกิดไป หรือบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆนะกะวว่าจะไม่ให้ขาดสติมันเป็นไปไม่ได้นะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะฉะนั้นอย่างบางคนจิตมีราคะหาทางละมันจิตมีโทสะหาทางละมันอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงงนะั้นเราไปสังเกตใจของเราใจของเราจะสุดโต่งพลิกไปพลิกมาตลอดนะพวกาวะาทั้งหลาย ถ้าพวกไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาเขาหลงอย่างเดียวเขาสุดหลงด้านเดียวคือหลงตามกิเลสพวกเคยฝึกหัดปฏิบัติเข้าคอร์สเข้าวัดเนี่ยมันจะผิดสุดตรงสองข้างเลยคือปกติก็เผลอๆไปพอนึกถึงการปฏิบัติได้ก็เริ่มคิดจะบังคับตัวเองอย่างที่คุณถามเมื่อเช้ารู้ว่าเผลอไปพอเผลอไปเนี่ยสุดตรงไปข้างหลงรู้ว่าเผลอเนี่ยรู้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นพยายามตรึงความรู้สึกไว้กลัวจะเผลอครั้งใหม่เนี่ยบังคับไว้นะั่นใจเราจะพลิกไปพลิกมานะนักปฏิบัติเนี่ยคนที่เคยปฏิบัติถึงเรียนยากพวกไม่เคยปฏิบัติเรียนง่ายกว่านะเพราะพวกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยสุดโตคข้างเดียวนะพวกเคยปฏิบัติขยันมากๆนี่จะสุดโตกสองข้างต้องแก้ทั้งสองข้างเลยนะต้องเรียนรู้มากมายยัายาก คนไม่เคยปฏิบัตินะส่วนมากถึงทำเป็นก็ขี้เกียจเพราะถ้าขยันคงปฏิบัติไปนานแล้วนู้วัฒนกรรมแนะเนาะพวกเรียนงานก็ไม่ยอมทำพวกทำไม่เป็นนะขยันจะทำพวกทำผิดนะขยันทำเพ่งเอาเพ่งเาบังคับเอาบังคับเอางั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนว่าทำยังไงถูกเนี่ยให้รู้ตรงที่ผิดเสีก่อนนะคือความสุดโตสองข้าง ข้างหนึ่งหลงตามกิเลสลืมตัวเองไปข้างหนึ่งบังคับกายบังคับใจตัวเองให้มันผิดความเป็นจริงให้มันนิ่งนิ่งเราคิดว่าถ้าเราฝึกจิตของเรานิ่งสงบได้นานนานนะกิเลสไม่เข้ามานานๆเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานบนรรลุไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เห็นความจริงอยากบรรลุมรรคผลนิพพานต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจเครื่องมือรู้กายรู้ใจคือสติ รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยคือปัญญาเพราะฉะนั้นมีสติมีปัญญาอย่างเราจะรู้กายยกตัว อ, อย่างรู้กายนะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้แต่มันไม่ใช่วิปัสนาเรามีสติรู้การหายใจมีแค่สตินะยังไม่ถึงตัวสัมมาสมติด้วยซ้าไปมีสมติรู้การหายใจเราหายใจเข้าเราหายใจออกมีสมติรู้ เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนมีสติรู้แต่ยังไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติจะต้องประกอบด้วยปัญญาสัมมาสติรู้รูปรู้นามการที่รู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รู้รูปรู้นามแต่ถ้ารู้รูปรู้นามขั้นแรกเลยเราต้องรู้สึกตัวก่อนต้องไม่หลงไปสุดโตกสองข้างแล้วเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเป็นกลางๆลงเราจะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาพอเรารู้รูปเราจะเห็น นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เรานั่งนะรูปมันนั่งนะมันไม่ใช่เรานั่งเนี่ยรูปมันไหวไม่ใช่เรายกมือะเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ว่ายกมืออย่างเงี้ยยกมือเงี้ยนี่รูปมันไหวนี่ไ ม, Wilson. ไม่ใช่เรายกมือเนอี่ยคิด<ๆ>เอาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้เอาจริงๆซึ่งยากนะยากต้องทนทนเรียนเอาเผลอแล้วรู้ไหมงั้นรู้ตรงที่ผิด แล้วเดี๋ยวที่ถูกันเกิดเองหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมรู้ให้ทันนะไปอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะั่นแหละธรรมะถ้าคิดว่าห้ามได้นะ่ะหลงผิดไปอีกแล้วรู้ไหมดูออกก็ยังงั้นรู้สึกตัวกันนะเราจะรู้สึกตัวได้ครั้งลักษณะดเดียวแวบเดียวแวบเดียวถ้าจิตมันสรงขึ้มนมาด้วยคณิกาสมาธิเองหนีไปอีกแล้ว เออแห้นมความรู้สึกตัวพอพอเรารู้ทันที่หลงพอเรารู้ทันว่าเราเผลอไปมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งแวบบแล้วเราก็หลงครั้งใหม่ดูออกไหมเศร้ารู้ไปหนาะไปทำการบ้านนะแล้วมาส่งการบ้านนะไมหนีโรงเรียนเลยเลยมีหลายคนตั้งใจมาขอมาฟังสักครั้งหนึ่งถ้าไม่รู้เรื่องนะจะไม่มาอีกแล้วไม่มาก็ไม่ว่าเนอะแต่อยากจะพูดมันแน่ถ้าแค่ไหนมันฟังดีเดียวรู้เรื่อง เวลาเรียนวิชาทางโลกเรียนตั้งหลายปีนะอย่างจะเรียนยังท่านตรีวุฒิเนี่ยท่านผู้พิพากษาโอ้โกว่าท่านจะเป็นผู้พักสายงท่านเรียนตั้งเยอะแยะเรียนนิติศาสตร์เรียนเนเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะหลายปีเรียนธรรมะก็ใช้เวลานะอย่าใจร้อนมันยากตรงที่พวกเราชอบไปคิดเอาเองว่าการปฏิบัตินะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ ลองเรียนสมัยการปฏิบัติเนี่ยอย่าทําผิดก็แล้วกาันแล้วมันถูกเองใจเด็ดพอที่จะเรียนอย่างนี้ไหมหลีไปคิดแล้วทราบไหมคุณผู้ชายเนี่ยคุณนั่นแหละพอจะดูออกไหมเห็นไหมรู้จักยังว่ารู้สึกตัวเป็นไงทันทีที่รู้ว่าหลงก็รู้สึกตัวเลยรู้จักรืยัง่ง่ายขนาดนี้ เ, เห็นไหมอาตมายังไม่เคยสอนเลยว่ารู้สึกตัวเป็นยังไง แต่พอรู้ว่าหลงก็รู้สึกตัวแล้วเรารู้ด้วยว่าตัวเองรู้สึกตัวแล้วเพราะมันตื่นขึ้นมาในฉับพลันฟังแล้วยากนะยากแต่บางคนฟังครั้งเดียวก็รู้รู้สึกตัวได้ตื่นได้บางคนฟังยี่สิบปีก็ไม่ตื่นก็มีนะอาตมาไม่รับรองนะว่าฟังเราจะรู้เรื่องแต่รู้เรื่องก็เป็นบุญเนาะไม่รู้เรื่องก็กรรมของโยมรู้สึกไหมใจเราสบายรู้สึกไหม ตอนฟังทีแรกเคร่งเครียดขึมขึมใจนิ่งๆตอนนี้ใจชักเคลื่อนไหวดูออกไหมอาตมาพูดให้ตลกตลกเข้ามาเราขำใช่ไหมจิตใจเราก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราเปลี่ยนคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อย่านั่งเฝ้านะห้ามจ้องถ้าจ้องก็คือสุดโต่ไปข้างเพง่งข้างบังคับข้างกําหนดการเพง่ ง, ง, งการบังคับการกําหนดเนี่ยอยู่ในกลุ่มบังคับทั้งหมดเลยสุดโตข้างบังคับ การปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนี่สุดโต่งข้างตามกิเลสเพงั้นถ้าเราใจเราไม่สุดโต่งเวลาเรารู้กายเนี่ยจะเป็นไงรู้กายก็คือมีสตินะมันเคลื่อนไหวมันยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียด น, นะมีสติคอยรู้ทันมันนะเห็นไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกไปนี่สติรู้ทันนะมีปัญญานะเห็นเลยไอ้ที่กระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราหรอกนะความในเรามาันเกิดจากความคิด เนั้นการที่เรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดปุ๊บเนี่ยรู้ลงที่กายกายจะไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจิตจะไม่ใช่เราเพราะความเป็นเราเนี่เกิดจากความคิดเท่านั้นเองใครเคยได้ยินคําว่าสัพ ก, กายะทิฏฐิมั้งพระโสดาบันละสักกายาะทิฏฐิเวลาความเห็นผิดะว่ารูปนามขันห้าเป็นตัวเราชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิเป็นความคิดความเห็นเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้นะ รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นเมื่อรู้ลงที่กายกายจะเป็นรูปไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจิตจะเป็นนามนธรรมไม่ใช่เราจะไม่มีเราแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ขาดสติมเมือเ่อไหร่เผลอเพลินไปเมื่อไหร่แล้วก็เราก็เกิดขึ้นมาเพราะเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการละสักยัติทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่ละความเป็นตัวตนนะพวกเราเรียนธรรมะเรียนให้แม่นแม่นหน่อย บางคนบอกทำยังไงจะละความเป็นตัวตนได้ไม่มีใครละความเป็นตัวตนได้เพราะความตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีแค่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนทำไมมีความเห็นผิดเพราะใจมันเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิแล้วมารู้กายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นทันทีที่รู้สึกตัวทันทีที่ตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาดูลงที่จิตจิตไม่ใช่เราทันทีเลย ถ้าใครเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยง่ายจนะยเห็นง่ายแค่รู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆเราก็จะรู้แล้วไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เรากระดุกระดิกเนี่ยแต่จิตน่ะเป็นเราเพราะว่ามันยึดถือเหนียวแน่ น, นละเอียดแล้วค่อยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสักกายที่ดีก็จะขาดวันนั้นเพะฉะั้นเรียนศาสนาพุทธนะเรียนอย่าทำเรียนตามยาถากรรมใครเขาปฏิบัติไงก็ตามตามไปนะพยายจับหลักให้แม่นแม่น พระพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธเจ้าสอนอริยสัจสมุทรสอนอริยสัจก็ได้อริยสัจคือเรื่องอะไรเรื่องทุกข์สมูทไทยนี้ล้นมากทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้าคือรูปนามกายใจของเรานี้คือตัวทุกข์ท่าไม่ได้บอกว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ยากจนเป็นทุกข์ไม่สบายเป็นทุกข์นะท่านไม่ได้ว่างนั้นท่าว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะ แต่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่มีคนลงท้ายท่านกลัวว่าเราจะไปคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกขนะ์ท่านก็เลยสรุปว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์รูปนามกายใจนี่แหละตัวทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์งั้นหน้าที่ของเรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการเจริญสติปัฏฐา น, นี่ก็คือการตามรู้กายรู้ใจนั่นเองรู้เวทนาจิตชั่มเนี่ยก็คืออยู่ในกายกาจรูปบนามนี่เอง ตามรู right? bon ้ไปเรื่อยๆจนวันใดเกิดปัญญาเห็นความจริงปัญญาคือการเข้าใจความจริงนะปัญญาอย่าไปวาดภาพปัญญาเป็นอะไรลึกลับซับซ้อนปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอยากจะรู้กายรู้ใจถูกต้องตามความเป็นจริงต้องตามรู้บ่อยๆตามรู้กายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาอนุปัสสนาว่าตามรู้ตามรู้ไปบ่อยๆตามรู้เวทนาบ่อยๆตามรู้จิตบ่อยๆ ตามรู้ทําบ่อยๆตามรู้เรื่อยๆตามรู้นานๆบ่อยๆเราก็รู้จักตรงรู้จักตรงเข้าใจนะั่นแหละตัวปัญญาเราก็จะปล่อยความยึดถือในรูปนามได้เหมือนเราอยากรู้จักคนสักคนหนึ่งอย่างคุณมนเนี่ยอยากรู้จักคุณวุฒิว่าทําไมชอบมาหลับในศาลานแล้วก็ค่อยดูค่อยรู้ค่อยดูตามรู้ตามดูพฤติกรรมเขาเรื่อยๆแล้วก็พบว่าไปไหนก็หลับด้ว่อยๆอย่างเนี้ยทุกทีอ๋อเขามีธรรมดาอย่างนี้ ก็หายโมโหไม่โมโหแล้วก็นั <anniversary> ่งหลับเขาเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนเราตามรู้กายรู้ใจอ๋อธรรมดามันเป็นทุกข์น่ะรู้ว่ามันธรรมดาก็ใจก็เป็นกลางกับมันไม่ยินดียินร้ายกับมันนี่งานที่ของเราตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆจะตามรู้กายได้ถ้าไม่เผลอไปแล้วก็ไม่นั่งเพ่งกายไม่บังคับจิตให้อยู่กับกายจะตามรู้จิตก็ต้องไม่เผลอไปแล้วก็ไม่นั่งเพ่งจิต เผลอไปกับเพ่งไว้บังคับไว้ประครองไว้เนี่ยคือความสุด ต, ต่งสองข้างเพราะงั้นเริ่มต้นเราเรียนตรงที่ผิดก่อนแล้วเราไปมารู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องของคุณยังติดอยู่ตรงประครองนะคุณผู้ชายเนี่ยมันยังรักษาไม่เลิกดูออกใช่ไหมเนี่ยเป็นความสุดต่งอีกข้างนะให้รู้เฉยๆอย่าอยากละนะไม่อยากละไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นที่จิตไปรับรู้เข้าให้รู้เฉยๆอย่าหลงยินดียินร้ายกับเขา งัการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเอาง่ายๆอยู่ในชีวิตจริงๆเลยต่อไปนี้ทุกคนทําได้เลยเมื่อตามองเห็นรูปนะจะรูปสวยรูปไม่สวยก็ตามความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเรานะให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสยะครอบงำเอานะเช่นเห็นสาวสวยไม่ต้องหลับหูหลับตานะไม่ใช่ปิดหูปิ ด, ปดตาลืมตาขึ้นมากิเลสมันจะได้เข้ามาให้เราดูนะลืมตาขึ้นมา เห็นสาวสวยจิตเกิดราคานี่ยินดีพอใจแล้วแม้มันอยากดูเขาอีกล่ะรู้ว่ามันอยากดูเขาอีกนะมันมีราคามันไปรักเขาละรู้ว่าไปรักเขาแล้เนี่ยเอาไว้ดูอย่างนี้ไม่ต้องทําตัวแบบพระปิดตานะเคยเห็นไหมครัปิดทวาลปิดหมดเลยะแล้วมันจะรู้อะไรเปิดตาขึ้นมานะเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจของเราด้วยใจเราก็อย่าไปอัดเอาไว้แคบๆเปิดใจขึ้นมา ให้มันมากระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเมื่อกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติแล้วมันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาก็รู้ทันอีกนะอย่างยกตัวอย่างตีเตาเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตเช่นเดินตามไปจีบเขาละบลูนะบตัวเองตามจีบตามเกี่ยวเขาหลอกลวงเขาอะไรนีนะ้นี่รู้ไม่ทันถูกกิเลสลากออกไปนะแต่พอรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ อมีราคะหนอะหรือพุโทโธพุธโทโธสัมมาระหังเพื่อให้หายราคะอันนั้นกดข่มไปและบังคับไปลล้วกลับข้างอยูแล้วสุดโตมาอีกฝั่งหนึ่งเกลียดราคะเพราะงั้นเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยไม่ต่อต้านเราก็ไม่คล้อยตามเรี่ว่าไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านคือเห็นเวลาเรือเขาจอดไนะหมเรือเขาทอดสมอเอาสมอทิ้งลงน้ําไปน้ําก็ไหล เรือเนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คลอยตามคือไม่ไหลาตามน้ําไปแต่ขณะเดียวกันเรือก็ไม่ต้านน้ําสังเกตไหมเรือไม่ต้านน้ําน้ําไม่มีอิทธิพลอะไรกับเรือแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่กั้นเขาอย่างนี้หวางขึ้นมาแรงกระแทกมันจะรุนแรงเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจเหมือนกันถ้าไปต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปต้านมันนะให้รู้มันอย่างตรงเนี้ยอธิบายยากหละถามว่ายังไงไม่ต้าน ให้ไปสังเกตตรงที่ต้านอ่ะพอกิเลสเกิดมันไม่ชอบมันแล้วอยากให้มันหายพอกุศลเกิดนี่ชอบมันอยากรักษามันจิตมีความยินดียินร้ายให้รู้ทันหรือใจมันคิดใจมันคิดก็ห้ามไม่ได้ะใจมันจะคิดมันคิดคิดไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาหรือเกิดกุศลขึ้นมาก็รู้ทันเช่นคิดถึงพระเนี่ยคิดถึงธรรมะแล้วจิตใจเบิกบานแช่มชื่นใจมีความสุขพอใจ บางคนมาวัดนี่ไม่ได้มาฟังธรรมะเพื่อจะเรียนนะมาเอาความสบายใจก็มีมาแล้วรู้สึกสบายใจมันนั่งยิ้มไปยิ้มมากลับบ้านไปเครียดเคียดเดี๋ยวกลับมาวาดัดมานั่งดูตอาจา์แล้วก็มานั่งยิ้มไปยิ้มมาอีกมีความสุขแล้วอย่างนี้ตามกิเลส น, นะนะจิตเป็นกุศลแท้ๆเลยนะมาฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าจิตมันเกิดราคะมันยินดีในธรรมะยินดีพอใจเราไม่เห็น กระทั่งจิตเป็นกุศลนะั้นยังยินดียินร้ายได้เลยนี้จิตเป็นอกุศลนะ่ะก็ยินดียินร้ายได้นะเช่นราค้าเกิดขึ้นมายินดีกับราค้าก็คือคล้อยตามมันไปนะราค้าเกิดเดินเดินตามจีบสาวไปเลยนะหรือว่าต่อต้านยินร้ายก็ได้ราค้าเกิดเราไม่ชอบมันหาทางละมันเนี่ยมีแต่ยินดีกับยินไลเห็นหมสุดตรงอยู่สองข้างยินดีคือคล้อยตามไปไหลาตามไป ตามไปทางทางไหนอ่ะตามไปดูตามไปฟังตามไปคิดนั่นแหละก็ตามไปทาง6กช่องทางแล้วแหละต่อต้านอ่ะต่อต้านมาต่อต้านอยู่ในใจต่อต้านงั้นอย่าทำผิดสองทางเรียนสิ่งที่ผิดสองด้านนะแล้วที่ถูกมันทำง่ายรู้กายโดยที่ไม่ไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้รู้จิตใจนะโดยไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้เหมือนกัน คราวนี้แต่ละคนก็ไปดูจริตนิสัยตนเองนะวิเคราะห์ตนเองดูว่าเราเป็นพวกตัณหาจริตพวกโลภมากรักความสงบสบายรักความสุขรักในอารมณ์ที่ดีหรือเราเป็นพวกคิดมากถ้าพวกโลภมากก็คือทำความรู้สึกตัวแล้วคอยรู้กายไปเรื่อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกไปเครื่องมือในการรู้สึกก็มีสติกับปัญญาคอยรู้สึกไว สติรู้ว่ามีการยืนเดินนั่งนอนมีปัญญารู้ว่าไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งก้อนธาตุหรือเห็นธาตุไหลเข้าเห็นธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ดูเพื่อให้สงบนะถ้าดูเพื่อสงบเป็นสมถะกำหนดลมหายใจเนะี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่ามีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกธาตุมันเคลื่อนไหวนะอย่างนี้ค่อยเป็นการเจริญปัญญาน จะเห็นเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยไม่ไม่เที่ยงแท้ถาวรมีธาตุหมุนเวียนตลอดเดี๋ยวทานอาหารเนี๋ยวขับถนะ่ายมีธาตุหมุนเวียนนะไม่เพียงแต่เป็นธาตุที่หมุนเวียนเท่านั้นกายนี้ยังเป็นก้อนทุกขนะ์ด้วยอุตสาหนั่งให้สบายเดี๋ยวก็เมื่อยนะอุตส่าไปทานอาหารมาจนอิ่มแล้วนะเดี๋ยวก็หิวอีกละอุตส่าไปปัดสาวะมาเดี๋ยวก็ปวดอีกละงั้นจะเห็นเลยมันโอ้มันทุกข์นะความทุกข์บีบคั้นกายนี้อยู่ตลอดวัน เนี่ยเรียกว่าการรู้ความเป็นจริงรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นธาตุเป็นขันะบังคับเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราอนมีสติคอยระลึกรู้กายมีปัญญาคอยรู้ความเป็นจริงของเขาคอยรู้ไปเรื่อยๆเหรือจะรู้จิตใจเขาได้นะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายมันดีรู้ว่ามันดี มันร้ายมีราคาตาัวสะโมหะฟุง้งซ่านหดหู่อะไรเกิดก็รู้ไปตามนั้นนะก็จะเห็นเลยมีสติรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้นะมีปัญญารู้ตรงความเป็นจริง น, ะนามาทำทั้งหลายไหลามาแล้วก็ไหลไปนะเช่นความโกรธผ่านมาแล้วก็ไปนะความเสอผ่านมาแล้วก็ไปนะความโลภผ่าน ม, มาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปหมดเลยเนีย่เรียกว่ามีปัญญา เพั้นมีสติมีปัญญานะถ้ามีสติอันเดียวจะนั่งเพ่งนั่งกำหนดถ้ามีมีปัญญาจะรู้ลักษณะของมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะั้นการที่มีสติไปรู้กายรู้ใจหรือรู้อารมณ์ใดอนหนึ่งเนะี่ยมีชื่อเรียกว่าอารมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์อย่างเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจนะเพ่งคําบริกรรม พุทโธพุทโธสัมมาระหังอะไรอย่างนี้<ม>เพ่งเอา<ม>เพ่งตัวอารมณ์ได้กรรมฐาน<ม>การมีปัญญารู้ลักษณะของอารมณ์ตามความเป็นจริง<ม>ออรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามาทำคือความรู้สึกทางใจทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ลักษณะก็เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการลักษณะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา การรู้ลักษณะเรียกว่าอารัมลักษณูปนิชฌานการรู้ลักษณะงั้นจิตของเราเวลาเราจเจริญสติจเจริญปัญญาเนี่ยถ้าถ้าถ้าปฏิบัติเป็นแล้วนะจะรู้เลยมันพลิกตลอดเดี๋ยวเป็นสมถะเดี๋ยวเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวสมถะ เ, เดี๋ยวเป็นวิปัสสนาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยบางทีจเจริญวิปัสสนาอยู่จิตพลิกเป็นสมถะแป๊บเกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมา จะสำคัญผิดว่าเกิดวิปั ส, สนาญาณนะนะเกิดว่าบรนนบรลุโน้นบรรลุนี่ไม่บรรลุหรอกจิตไปคลิกเป็นสมถะไปซะ ก, ก่อนอ้าวรู้เรื่องไหมใครรู้สึกบ้างว่าใจซึมอใจเริ่มซึมตอนนี้เริ่มหายซึมใครรู้สึกบ้างจะเริ่มไล่จี้แล้วนะรู้สึกไหมหายซึมเลยรู้สึกไหมตื่นตัวรู้สึกไหมตื่นตัวเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหม เสียงอาตมากระทบหูใช่ไหมทีแรกเสียงพูดธรรมะนั้นใจก็ซึมๆพอเสียงบอกว่าจะไล่จี้แล้วนะเกิดความตื่นตัวเห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกระทบเสียงมากระทบหูความรู้สึกเปลี่ยนอาตมาชมโอ้คุณนี่หล่อจังเลยฟูเลยอาตมาพูดต่อยหน่อยอาตมาแกล้งพูดหลอกความจริงน่าเกลียดปุ๊บเลยนะเนี่ยเราคอยรู้ทันแล้วมันเปลี่ยนตามการกระทบตาเห็นรูป ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงเห็นของสวยๆดีใจนะเห็นหมาถูกรถทับเละเทะเลยโอ้ขยะแขยงหรือสงสารหรือเศร้าใจนะความรู้สึกมันเปลี่ยนตามการกระทบเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีการกระทบนะตาเห็นรูปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปหอได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ไปใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกเกิดขึ้นก็รู้ไปนะเป็นฆราวาสปฏิบัติแค่นี้ก็บรู้มรรคผลได้แล้วนะ จะไปทําฌานก่อนทํายากนะวิสัยของคารวะงานการมันเยอะมีแต่เรื่องคิดทั้งวันจะไปทำครับสงบมันทําลําบากเมื่อวันสื่นมีพระจากบ้านตาดท่านมาองค์ท่านบอกว่าท่านรู้แล้เมื่อก่อนเนี้ยท่านเปิดสอนด้วยนะสอนเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันเลยเนะี่เปิดคอร์สท่านบอกว่าพอท่านไปบวชนี่ท่านเลยรู้ความจริงว่าถ้าจะทําสมาธิไม่ได้กินหรอกแค่นั้นฮ ยากเพราะว่าทำควอมสงบได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะมันกระทบอารมณ์ใหม่บอกท่านทำทั้งเดือนครึ่งเนะี่ยกว่ามันจะยอมความจะรวมจริงๆนี่ถ้าใจของเรามันไม่ยอมรวมเลยทำสมาธิไม่ได้ํารู้ความรู้สึกไปเดี๋ยวไม่ค่อยรวมทีหลังไม่ว่าใช้ปัญญานำสมาธิถ้าจะรู้กายก็ต้องใช้สมาธินาปัญญานะ ถารู้จิตมันเป็นสัญญานำสมาธิคือตามรู้ลงไปรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงรู้ไปเรื่อยๆถึงจนหนึ่งจิตจะรวมเข้ามาหาความสงบเองทําอะไรเมื่อกี้สุดโตรประเภทที่หนึ่งหรือสองอตอบให้ชื่นใจซิอ้าวประเภทที่หนึ่งแมชื่นใจตอบถูกไหมตอบถูกว่าหลงไปหลงทางไหนอ่า ทางเราคิดสังเกตไหมระหว่างหลงฟังกับหลงคิดอะไรเยอะหลงคิดเยอะแหมชื่นใจอีกแล้วตอบถูกเห็นไหมไม่ใช่ว่าปฏิบัติ ด, ดีแหมจิตไม่หลงเลยแล้วจะชื่นใจนะถ้าใครบอกผมไม่เคยหลงเลยดีฉันไม่หลงเลยนี่อาการหนักแล้วนะ <c ười> ก็คุยกันนานแล้ว <c ười> เพราะว่ามองไม่เห็นสภาวะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะเราจะรู้เลยเราหลงทั้งวันนห <c ười> ล, ละหลงแล้วเห็นไหม แล้วก็ดีใจด้วยรู้สึกไหมอเออไม่เที่ยงดูออกไหมดูไปเรื่อยอ้าวทางนี้บ้างพวกนี้ลูกศิดโบรับโบลานเลยอ้าวอ๋าอ่าอาเออต้องนึกนะชื่ออ่าอ๋าอ่าอ๋าชื่อคล้ายๆกันเยอะเลยว่าไงส่งกันบ้านมีคนมาบอกหลวงพ่อว่าตอนหลังๆไม่ค่อยภาวนาชอบไปจีบสาว เขาว่าอย่างนี้จริงไหมไม่จริงอ่ ะ, อะหยิบสาวก็ไม่เป็นไรเป็นสารวาดอย่าหลอกเขาก็แล้วกัน <c oughs> ปฏิบัติเป็นไงบ้างกิเลสเกิดรู้ทันไหมรู้สึกตัวบ้างไหมเมื่อตื่นหรือยังดูออกไหม <c oughs> คิดว่าตื่นหรือยังตอนนี้ตื่นไหม มานั่งนี่มาอาการหนักแนละ้ว <c oughs> เออนั่งสป <c oughs> นั่งสบายๆนะ <c oughs> อ, อ้าวทางโน้นเครียดใหญ่แล้ววาทอม <c oughs> เป็นไงทางโ น, น้น <c oughs> มันชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะไม่เป็นไรหรอกดีแล้วละ่ะรู้สึกตัวได้นะ ลวงพ่อแกล้งให้ตื่นเต้นเท่านั้นนหะรู้สึกตัวได้แล้วก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวได้ดีแล้วยากมากก่อยจะรู้สึกได้โยไม่แกล้งทำโยเมื่อกี้ก็รู้สึกอยู่แล้วแล้วล็อตอ่ะรอเปล่าล็อตหรือแลมลอตเหรอง่ายตื่นบ่อยยังแล้วมัวทำอะไรไม่ตื่นโอ๋อ แม่ตอบถูกเนาะจะชื่นใจดีไหมเนี่ยรู้สึกไหมพอคนอื่นเขาถูกไล่ยี่พวกเรารู้สึกสบายใจรู้สึกไหมเห็นไหมเห็นใครเขาพลาดพลางนั้นซ้ําเติมรู้สึกไหมมีความสุขธรรมชาติไม่เป็นไรนะธรรมชาติฝ่ายไม่ดีอ่ะมันเรื่องงานนี่นะให้เรารู้ไปรู้ไปอย่างที่มันเป็นะเห็นไหมว่าไม่ยากหรอกการปฏิบัติอยู่ในชีวิตนี่แหละทาได้ นะยกเว้นมีข้อยกเว้นตอนที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะเราดูกายดูใจไม่ได้เพราะตอนที่ใช้ความคิดเราต้องรู้เรื่องที่คิดนะเมื่อกี้บอกแล้วไงตอนรู้เรื่องที่คิดนะมันรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะงั้นเวลาทํางานตั้งใจทํางานไปนะจดจ่องานไปนะแต่ว่าพอทํางานไปนานๆแล้วชักเบือ่อเบื่อไม่ใช่งานนะเบื่อเป็นกิเลสเบื่อเป็นโทสะให้รู้ทันว่าโทสะเกิดขึ้นแล้ว หรือนั่งประชุมแม่พรีเซนต์งานมีแต่คนเห็นด้วยชมด้วยว่าเก่งใจเราพองเรารู้ว่าพองนะพองนี่ไม่ใช่งานลนะหรือเขาชมเขาชมมาบอกว่าไม่เอาไหนเลยนะใจเราแฟบเลยรูว่แฟบนะคุณนพเป็นไงคุณนพนนนะตามรู้เรื่อยๆนะถามรู้ไปอ่าก็ดีละนะไปรู้เรื่อยๆไปวัดเชิงเลนปะ เราไปวัดไหนบ้างหน่งยหรือไม่ไปเลยอเจอลจะมีก่อนได้หครับอ๋อเหือแล้วแล้ ว, ลวไปไหนาออกไปตะนปัหนึงครับเล่นเน็ตมากไหม <c oughs> ยังทำเว็บท่าจนจย์มั่นอยู่วะ <c oughs> ดีแลอย่าเล่นเยอะนะสนธนาทำทางอินเทอร์เนต็ตนะน่าห่วงมากเลยสนธนากันได้ตั้งแต่เช้า ย, ายาันค่ำยันกลางคืน รู้สึกไหมใจที่สะใจสนุกสนานเมื่อกี้เริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่รู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ได้ยากอะไรเลยสมัยอาตมาหักใหม่ๆนะพวกที่มาเก่าๆก็ทนฟังไปนะพวกคนมาใหม่เขาไม่ได้เคยฟังตอนนั้นทำงานอยู่สำนักนายกรับราชการตื่นเช้าขึ้นวันจันทร์นะยังไม่ทันลืมตาเลยนอนหลับตายตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์นึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทะร์่ะใจแห้งแรงเลย นะเนี่ยนี้ใสข้าราชการที่ดีคะ น, นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะโอ้โรู้สึกไหมชื่นฉ่านะชื่นฉ่เนี่แค่เรารู้นะใจเรากระทบความคิดคือเราคิดขึ้นมาได้ว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกก็เกิดขึ้นนะใจเรากระทบความคิดคิดได้ว่าวันศุกรนะ์เนี่ยความรู้สึกก็เกิดขึ้นนะหรือเรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ๆเราก็นึกถึงภาพคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนที่เราชอบ เรานึกถึงทุ๊บเรามีความสุขขึ้นมาอยู่ๆภาพของคนที่เราเกลียดมันโผล่ขึ้นมาใจเราไม่มีความสุขละโมโหขึ้นมาะงั้นใจเรากระทบธรรมารมความรู้สึกก็เกิดหรือต่อมาอาตื่นนอนตอนเช้าไปแล้วจะไปอาบน้ำเมื่อก่อนอาบน้ําในตุ่มเนี้ยหน้าหนาวใครเคยอาบน้ําในตุ่มหน้าหนาวบ้างพอเห็นตุ่มเรารู้สึกไงสดชื่นไหมนะรู้สึกสยองสยองรู้ว่าสยองนี่ปฏิบัติแล้วนะ ตาเห็นรูปใช่ไหมตาเห็นตุ่มน้ําใจสยองรู้ว่าสียองนี่เป็นการรู้ใจนะรู้จิตถ้ารู้รูปเนี่ยต้องเห็นเลยไม่มีตุ่มน้ํามีแต่รูปอันนั้นดูยากนะเพราะว่าใจเราทํางานเลยพอเห็นตุ่มมันก็คิดว่าตุ่มนะมันไม่คิดว่ารูปหรอกนะเพราะงั้นใครมารู้หยุดที่ใจนี่กระทบทางตาหนึ่งขณะเท่านั้นแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าที่ใจมาทํางานเจ็ดขณนะเพราะงั้นรู้ตรงใจยังพอ ร, รู้ได้ง่ายหน่อยมันยาว หนีไปคิดละรู้ไหมไป ร, รู้นี่ก็หนีไปคิดรู้ไหมเนี่ยทำไมสิ้นสภาพอย่างนี้ใช่ แค่นั้นก็ใช้ได้ละแล้วจะเกิดปุจจาระกับปัญาสมาธิได้อย่างไรเพราะว่าจิตไม่ได้แน่นิ่งแบบไม่เกิดหรอกไอ้นั้นเป็นการพลิกไปเจริญปัญญาละนะขั้นแรกเลยประคองความรู้สึกไปนะอย่าให้ขาดสตนะิสมถะก็ขาดสติไม่ได้นะเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานก็เป็นการสร้างกุศลชนิดหนึ่งนะ สติแนบนอารมณ์โดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้แนบนะหยุดยากตรงนี้ยากตรงที่ไม่ได้เจตนาจะให้แนบนะคือจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติมันชอบหนีไปเที่ยวจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นีนทน้ทีเดี๋ยววิ่งทางตาทางหูทางใจนะจับอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ฟุ้งซ่านไปเวลาเราจะทำสมาะเนี่ยเราก็พาจิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแต่อย่าอย่ามัดเขาไวนะ้อย่าบังคับไว้ นะจิตของเราคล้ายๆเด็กเด็กดือ้อเด็กสนนะอยู่ๆเด็กจะนีไปเที่ยวเนี่ยเราไปลากตัวโซมัดไว้เนี่ยเด็กมันคลุ้มคลั่งมันไม่สงบใช่ไหมงั้นต้องหาอารมณ์ที่มันสบายใจมันล่อมันนะอ้าวมากินไอติมนี่มามานั่งแท่ไอติมอยู่นี่อย่าไปวิ่งเล่นเสียกะทีนะ่ให้มันนั่งแทนะจิตก็เหมือนกันหาอารมณ์ที่มันชอบอ่ะแต่ต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศล น, นะ ถ้าชอบแบบผมตกปลาแล้วมีความสุขจิตสงบอย่างงั้นไม่เอานะอย่างนั้นมันเจืออกุศล น, นะถ้าตกปลามีแต่เชื่อกเออไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรไม่เป็นไรเ อ, อ, อย่างนั้นหาอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ย น, นะมาแล้วก็เป็นอารมณ์ที่จิตชอบด้วยมาให้อยู่นะเพราะฉะั้นมาเรียนที่นี่จะรู้เลยอะตมาไม่มีรูปแบบสําเร็จรูปอ่ะแต่และคนเรียนไม่เหมือนกัน ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ไม่ได้สอนทุกคนเหมือนๆกันอย่างตอนนี้นะอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยคนนี้เป็นพิจารณาผมหนึ่งเส้นเส้นเดียวนะห้ามสองเส้นพิจารณาสองเส้นยังไงจิตก็ไม่รวมต้องหนึ่งเส้นถึงจะรวมนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะองค์นี้ดูกระดูกนะดูกระดูกไปเดินจงกรมแล้วดูกระดูกท่านนี้เห็นกระดูกตัวเองกระดูกมีอีกสี่โครงล้อมไปเป็นไหนก็มีกระดูกล้อมไปอย่างเนี้ย ดูไปเรื่อยๆจิตรวมปุ๊บนิมิต ด, ดับไปเข้ามาถึงจิตหรือบางคนท่านก็สอนให้ดูจิตเลยงั้นอารมณ์ไม่ไม่เหมือนกันนะ่ะเราต้องดูว่าอารมณ์ใดถ้าจะทำสมถะนะอารมณ์ใดที่จิตไปอยู่แล้วจิตสบายอย่างสมมติบางคนหายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตใจรู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขมันสบายนะก็มารู้รู้ลมหายใจด้วยความมีความสุขแต่ต้องระวัง พอมีความสุขแล้วมันเพลินพอเพลิรีบรู้ทันว่าเพลินนะก็มารู้อารมณ์ใหม่มารู้ลมหายใจใหม่จะรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดปฏิภาคนะจะรู้สึกเหมือนกับเราเห็นด้วยตานะซึ่งยากจริงยากมากเลยกว่าที่อุปจาระอัปปนาแท้ๆจะเกิดเวลาที่จิตจะเกิดอัปปนานะหรือจะทําอุปจาระเนี่ยไม่ได้รู้ตัวลมหายใจแล้วนะตัวลมหายใจเป็นแค่้าเรียกอะไร บุพภาคหรืออะไรอะไรนิมิตนะนิมิตเบื้องต้นอ่ะเออบุพภาคนิมิตรู้ลมหายใจเนี่ยใช้เบื้องต้นเองนะรู้ไปรู้ไปจนทั่งจิตเนี่ยมันรู้สึกมันเกิดนิมิตลมนะเนี่รู้สึกมันเป็นแสงสว่างเป็นเกลียวเป็นแสงไหลเข้าไหลออกนะให้มารู้นิมิตนี้แทนตัวลมหายใจนะเนี่ยถ้าจะเดินเข้าสู่ฌานนะเราเอาตัวปฏิภาคมาเป็น อารมณ์แทนไม่ใช่เอาตัวลมหายใจเป็นอารมณนะ์นะ ร, รู้สึกไม่เกิดสีมันดับเล ย, สลลยเลยสร็จแล้วเราก็จะไปรู้ความสว่างแล้วนะนะซึ่งคนทั่วๆไปทำไม่ค่อยได้นะทำลำบากถ้าปลีกตัวไปสักช่วงนี้นทำได้ จะทําได้ยังทำได้ไม่ส่งไว้รู้สึกไหมไม่ส่งเพศของเราไม่ค่อยเหมาะงั้นอย่างจะทําถึงอัปปนาเนี่ยนะมันใช้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปุพพากนิมิตเป็นอารมณ์งั้นยากเหมือนกันแต่ถ้าเราแค่หายใจนะเพื่อจะมาหัดดูจิตตัวเองนะอย่างนี้ง่าย เช่นเราหายใจไปหายใจไปหรือพุทโธพุทโธไปเนี่นะจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยหายใจไปเป็นเดื่อวล่อเพื่อจะมาดูใจตัวเองอย่างงง่ายหายใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีไปนะหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตอย่างงี้ง่ายนะถ้าทําอย่างเงี้ยพอจะทําได้นะเป็นคารวาสไปทําถึงชาญถึงอะไรทําลําบากนิดนึงเว้นแต่ว่ามีของเก่ามาเยอะ เอเอรู้สึกเหนื่อยพราะรตัวขึ้กนกลับมาดูลม ห, หายใจนี่โผล่ะก็ถูกแบบสมถะอ๋แต่มันหายอะมันหายเหนื่อหายสีก็มันทําสมถะนี่ก็ <ๆ S 2> สมถะมันเป็นที่นอนพักมันก็หายเหนื่อยนะ <c oughs> อย่างคนทั่วโลกน่ะเวลากระทบอารมณ์แล้วอินทุกคนแหละนะอินทุกคนแหละแต่ถ้าเราเกิดมาเจริญสติเรารู้เลยจิตเราอินนี่เริ่มมีสติมีปัญญาแล้วรู้ว่าอิน พรู้ว่าอินเนี่ยเราไม่ชอบมันรู้สึกไหมไม่ชอบมันไม่ชอบแล้วไม่เห็นเราไม่ชอบเนี่ยโทสะเกิดเรามองไม่เห็นละเรียกไม่ทันอันนี้พอไม่ทันเนี่ยอยากให้สงบก็มาจับอยู่อะไรซึ่งอันหนึ่งนะแกเป็นมุ่งไปทําสมถะแต่ถ้าสมมติจิตมันอินรู้ว่าอินนะรู้ว่าอินเนี่ยถูกต้องแล้วแต่มาไม่อยากอินไม่อยากอินรู้ว่าไม่อยากอินนี่ถูกอีกแล้วได้อีกคะแนนหนึ่งพอเข้าใจไหมตรงเนี้งั้นรู้ลงไปทีลักษณะทีลักษณะ เราจะเห็นเลยจิตเดียวก็เป็นกุศลเดียวก็เป็นอกุศลพลิกไปพลิกมานะบังคับไม่ได้สักอันหนึ่งอย่างอากุศลน้ไม่เจตนาจะให้เกิดมันก็เกิดกุศลน่ะสั่งให้เกิดมันก็ไม่ยอมเกิดเพราะฉะนั้นสติทำให้เกิดขึ้นไม่ได้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้นั่นหน้าที่เราหัดรู้กายหัดรู้ใจเรื่อยๆวันใดจิตจาสภาวะได้ก็จะตื่นขึ้นมามีสติ พอจิตมีสติจิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขทันทีเลยนะเพราะจิตที่เป็นกุศลมีสมนัตเวทนากับ อ, อุเบกขาเวทนาอุเบกขาแบบนุ่มนวล น, นะไม่ใช่อุเบกขาซื่อบื้อแข็งกระด้างนะอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาแล้วนั้นะจิตใจจะมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้จิตตั้งมั่นกเกิดสมาธนะินี่มันมีความสุขจากการรู้กายรู้ใจสมาธิที่เกิดก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจ สมาธิที่ตั้งมั่นรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสนาปัญญาจําตามทันไหมการตามรู้กายตามรู้ใจหรืออนุปัสนากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาเป็นเหตุให้เกิดสติเมื่อมีสติจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจไม่ใช่ไปตั้งที่อื่น ที่จิตเราไหลไปตั้งที่อื่นเพราะมันรู้สึกว่าความสุขอยู่ข้างนอกได้ดูรูปแล้วมีความสุขมันก็ไปตั้งดูรูปอยู่ข้างนอกเพราะงั้นจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิเนี่ยเกิดกับอกุศล <_ c uss> ก็ได้นะไม่ใช่เกิดกับกุศล <_ C uss> อย่างเดียวนะเพราะงั้นเรื่องสมาธิต้องระวังเกิดกับอกุศลก็ได้แต่ถ้าเป็นสติมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจแล้วจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจนี่สัมมาสติสัมมาสมาธินะสองอันนี้เกิดแล้ เราก็จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้อย่างจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอะไรก็ได้อันใดหนึ่งพอเห็นแล้วนี่เรียกว่ารู้ตรงตามความเป็นจริงคือตัวปัญญามันเกิดวิปัสสนาปัญญาพอปัญญาเกิดมันจะเห็นเลยรูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ของดี แต่เดิมคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของดีแต่ตามรู้ตามดูมาก ๆ, ากๆเห็นเลยไม่ใช่ตัวดีเลยอย่างกายนี่ตัวทุกแท้ๆเลยจิตก็เป็นตัวสัมสอนเชื่อถืออะไรไม่ได้วักแวกวกแ ว, ว็กทั้งวันหลายใจเ <c oughs> ชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวดีความยึดถือกายความยึดถือใจเขาถูกทำลายไปพอ <c oughs> จิตใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจิตก็ปล่อยพอปล่อ ย, ออยวางวิมุติก็เกิดการปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะอย่าไปช่วยเขาปล่อยนะ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ไปกาหนดรู้นิพพานนะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปรู้นิพพานท่านบอกให้รู้ทุกท่านไม่ได้บอกให้รู้นิโรธท่านบอกให้รู้ทุกคือรู้กายรู้ใจไปรู้จนเห็นความจริงเกิดความเข้าใจเออกายใจมันไม่เอาไหนนะเป็นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยตัณหามันจะถูกทาลายไปเอง คือแต่เดิมเนี่ยเราอยากเราคิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราของเราเราอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พามันดิ้นรนตลอดเลยแต่พอเราเกิดปัญญารู้ทุกข์แกมแจ้งเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวดีมันตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการที่จะอยากให้มันดีอยากให้มันพ้นทุกข์อยากอะไรทั้งหลายเนี่ดับหมดเลยเพราะงั้นการรู้ทุกข์นั่นแหละคือการละสมูทยัยเมื่อไรรู้ทุกข์แกมแจงสมูทยัยก็ถูกละเมื่อนั้นสมูทยัยคือความทยานอยากความดิ้นรนของจิต ไม่จิตหมดความทยานอยากหมดความดิ้นรนนะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนะี่ยจิตใจจะสงบนะคําว่าสงบตัวนี้คือคาํ า, ค ว, าว่าสันติคําว่าสันติคํานี้คือลักษณะของนิพพานนะนั่นเองฉะนั้นนิพพานก็คือตัวนิโรธหรือนะตัวนิพพานนะก็คือการที่จิตมันสงบจากอะไรสงบจากขันสงบจากกิเลสคือสงบจากตัวทุกรูปนามนะไม่เข้าไปคล้องแวะ ก, กับตัวรูปนาม สงบจากกิเลสคือสงบจากตัวสมูทัยจากตัณหาจิตพ้นจากทุกข์จากสมูทัยเป็นตัวนิโรธงั้นบางทีก็เรียกนิโรธหรือเรียกนิพพานเนี่ยว่าวิสังขารวิสังขารคือพ้นรูปนามนั่นเองบางทีก็เรียกนิพพานว่าวิราคะวิราคะก็คือพ้นสมูทัยพ้นตัณหานั่นเองนี้ทํำยังไงอ่ะจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้นี่คือการเจริญมรรค การเจริญมากก็คือการมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเผลอไปจะรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าบังคับไว้เพ่งเอาไว้เพราะงั้นหน้าที่ของเราสู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอไม่เพ่งรู้ไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งมันรู้ทุกแกมแจ้งรู้ทุกแกมแจ้งสมุทัยถูกละไปนิโรธก็แจ้งขึ้นมาเองนิพพานแจ้งขึ้นมาเอง วันนี้เทศจนถึงนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นต้องจบแล้ว